สี่สิบสามที s. <S ่ ส, วน ส, สวนสัตว์อุโมงค์ทะเลสวนสัตว์อยู่ที่นั่นเด็ดก e เป็นทะเลยีราฟอยู่ตรงนั้น เดาเอากิราฟเนอมีอยู่ที่ไหนวัวเออ e r ออนเนช้างอยู่ที่ไหนวัวเอออีเลฟเวนตเงูอยู่ที่ไหนวัวเอสิงโตเนอสิงโตอยู่ที่ไหนวัวเออลูวาอ ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนนกเพนกวินอยู่ที่ไหน จิงโจออง้อยู่ที่ไหนร์ัอร์ดอยู่ที่ไหนอหนีเสวห้องน้ำอยู่ที่ไหนบวมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นที่นั่นเป็นร้า มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นที่ร้านอาหารอยู่ตรงนอูดอยู่ที่ไหนตอยู่ที่ไหนแลกอริลละาอยู่ที่ไหนแลนอาและม้าลายอยู่ที่ไหนวัีเรอยนอะเสือและจระเข้อยู่ที่ไหน Hvor er t i g r n e og krokodilerne?